ผมทรย์จากพระโอษฐ์หมวดที่หว่าด้วยการละหลวมในธรรม 1. นกแก้วนกขุนทอง 2. ถุงลม 3. ปริยัติที่เป็นงูพิษ 4. ผู้ที่ไม่ควรพูดอภิธรรม 5. เนื้อแท้อันตรธาน 6. ผู้ทาศาสนาเสือ่อม 7. คนไม่ควรเลี้ยงโค 8. ลูกนอกคอก9ก้ ผู้โลเลสิบภิกษุร้องเพลงสิบเอ็ดผู้มัวแต่อวดฉลาดสิบสองพระหลวงตาสิบสามพระถูกฆ่าสิบสี่ผู้ลนจากศาสนา ทราบจากพระโอษฐ์หมวดที่หว่าด้วยการละหลวมในธรรมนกแกวนกขุนทองภิกษุภิกษุในกรณีนี้ย่อมเล่าเรียนปริยัติธรรมนานาชนิดเ ค, เคยสุตตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติอุตกะชาตะกะอภูตธรรมะเวทันละแต่เธอไม่รู้ทั่วถึงความหมายอันยิ่งแห่งธรรมนั้นๆนด้วยปัญญา ภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้มากด้วยปริยัตินักเรียนยังไม่ใช่ธรรมวิหารีผู้อยู่ด้วยธรรมอีกอย่างหนึง่งภิกษุแสดงธรรมตามที่ได้ฟังได้เรียนมาแก่คนอื่นโดยพิสดารแต่เธอไม่รู้ทั่วถึงความหมายอันยิ่งแห่งธรรมนั้นๆด้วยปัญญาภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้มากด้วยการบัญญัตินักแต่งยังไม่ใช่ธรรมวิหารีผู้อยู่ด้วยธรรมอีกอย่างหนึง่ง ภิกษุทําการสาธยายธรรมตามที่ได้ฟังได้เรียนมาโดยพิสดารแต่เธอไม่รู้ทั่วถึงความหมายอันยิ่งแห่งธรรมนั้นๆด้วยปัญญาภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้มากด้วยการสวดนักสวดยังไม่ใช่ธรรมวิหารีผู้อยู่ด้วยธรรมอีกอย่างหนึ่งภิกษุคิดพลานไปในธรรมตามที่ได้ฟังได้เรียนมาแต่เธอไม่รู้ทั่วถึงความหมายอันยิ่งแห่งธรรมนั้นๆด้วยปัญญาภิกษุนี้เราเรียกว่า ผู้มากด้วยการคิดนักคิดยังไม่ใช่ธรรมวิหารีผู้อยู่ด้วยธรรมถุงลมภิกษุภิกษุในกรณีนี้ย่อมเล่าเรียนปริยัติธรรมนานาชนิด คือสุตตะเคยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตะกะอภูตธรรมะเวทันละเธอใช้เวลาทั้งวันให้เปลืองไปด้วยการเรียนทมนั้นต้องเอรืดรังจากการหลีกเล้นไม่ประกอบซึ่งธรรมเป็นเครื่องสงบใจในภายในภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้มากด้วยปริยัตินักเรียนยังไม่ใช่ธรรมวิหารีผู้อยู่ด้วยธรรมอีกอย่างหนึ่ง ภิกษุแสดงธรรมตามที่ได้ฟังได้เรียนมาแก่คนอื่นโดยพิสดารเธอใช้เวลาทั้งวันให้เปลืองไปด้วยการบัญญัติธรรมนั้นต้องเริดร้างจากการเหล็กเร้นไม่ประกอบซึ่งธรรมเป็นเครื่องสงบใจในภายในภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้มากด้วยการบัญญัตินักแต่งยังไม่ใช่ธรรมวิหารีผู้อยู่ด้วยธรรมอีกอย่างหนึ่งภิกษุทาการสาธยายธรรมตามที่ได้ฟังได้เรียนมาโดยพิสดาร เธอใช้เวลาทั้งวันให้เปลืองไปด้วยการสาธยายนั้นต้องเลดร้างจากการเหละเร้นไม่ประกอบซึ่งทําเป็นเครื่องสงบใจในภายในภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้มากด้วยการโสดนักโสดยังไม่ใช่ธรรมวิหารีผู้อยู่ด้วยธรรมอีกอย่างหนึ่งภิกษุคิดพลาดไปในธรรมตามที่ได้ฟังได้เรียนมาเธอใช้เวลาทั้งวันให้เปลืองไปด้วยการคิดพลานในธรรมนั้นต้องเลดร้างจากการเหลกเร้น ไม่ประกอบซึ่งธรรมเป็นเครื่องสงบใจในภายในภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้มากด้วยการคิดนักคิดยังไม่ใช่ธรรมวิหารีผู้อยู่ด้วยธรรมปริยัติที่เป็นงูพิษ ภิกษุทั้งหลายโมฆะบุรุษบางพวกในกรณีนี้เล่าเรียนปริยติธรรมนานาชนิดเคือสุตตะละถึงเวทันละพวกโมฆบุรุษเหล่านั้นครั้นเล่าเรียนธรรมนั้นๆแล้วไม่สอดส่องไคร่ครัวเนื้อความแห่งธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญาเมื่อไม่สอดส่องไคร่ครัวเนื้อความด้วยปัญญาทำทั้งหลายเหล่านั้น ย, ย่อมไม่ทนต่อการเพ่งพิสูจน์ของโมฆะบุรุษเหล่านั้นพวกโมฆะบุรุษเหล่านั้น เล่าเรียนทำเรื่องการเพลงหาข้อบกพร่องของธรรมหรือของลทัลทธิใดลัทธิหนึ่งและมีความคิดที่จะใช้เป็นเครื่องทําลายลทัลทธิใดลัทธิหนึ่งเป็นอนิสงส์ผู้รู้ทั้งหลายเล่าเรียนพระปริยัติธรรมเพื่อคุณประโยชน์อันใดพวกโมฆะประุรุษเหล่านั้นหาได้รับคุณประโยชน์อันนั้นแห่งธรรมไม่ธรรมทั้งหลายเหล่านั้นก็เลยเป็นธรรมที่โมฆะประุรุษเหล่านั้นถือเอาไม่ดีเป็นไปเพื่อความไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล เพื่อทุกแก่เขาเหล่านั้นตลอดกาลนานข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความที่ทำทั้งหลายอันมูขบุรุษเหล่านั้นถือเอาไม่ดีเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความต้องการใคร่จะได้งูเที่ยวสาอแสวแวงหางูอยู่บุรุษนั้นครั้นเห็นงูตัวใหญ่ก็เข้าจับงูนั้นที่ตัวหรือที่หางอาสรพิตวนั้นก็จะพึงกลับฉกเอามือหรือแขน หรืออวัยวะแห่งใดแห่งหนึ่งของบุรุษนั้นบุรุษนั้นก็จะตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายเพราะการโฉกเอาของอสารพิษนั้นเป็นเหตุข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะความที่บุรุษนั้นจักงูไม่ดีคือไม่ถูกวิธีเป็นเหตุข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายโมฆะบุรุษบางพวกในกรณีนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเขาเล่าเรียนป ร, ริยติธรรมนาณาชนิดคือสุตตะ ละถึงเวทันละพวกโมฆะบุรุษเหล่านั้นครั้นเล่าเรียนธรรมนั้นนั้นแล้วไม่สอส่องไครครัวเนื้อความแห่งธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญาเมื่อไม่สอส่องไครครัวเนื้อความด้วยปัญญาทำทั้งหลายเหล่านั้นย่อมไม่ทนต่อการเพ่งพิสูจน์ของโมฆะบุรุษเหล่านั้นโมูขบุรุษเหล่านั้นเล่าเรียนธรรมด้วยการเพ่งหาข้อบกพร่องของธรรมหรือของละทใดลทีหนึ่ง และมีความคิดที่จะใช้เป็นเครื่องทาลายลทัลทธิใดลัทธิหนึ่งเป็นอนิสงส์ผู้รู้ทั้งหลายเล่าเรียนปริยัติธรรมเพื่อคุณประโยชน์อันใดโมคคะุรุษเหล่านั้นหาได้รับคุณประโยชน์อันนั้นแห่งธรรมไม่ทำทั้งหลายเหล่านั้นก็เลยเป็นธรรมที่โมคคะุรุษเหล่านั้นถือเอาไม่ดีเป็นไปเพื่อความไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เขาเหล่านั้นตลอดกาลนานข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะความที่ทำทั้งหลายอันโมขบุรุษเหล่านั้นถือเอาไม่ดีเป็นเหตุแลผู้ที่มีควรพูดอภิธรรมภิกษุทั้งหลายในการยืดยาวฝ่ายอนาคต จากมีภิกษุทั้งหลายซึ่งไม่ได้อบรมกายไม่ได้อบรมศีลไม่ได้อบรมจิตและไม่ได้อบรมปัญญาเธอทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนั้นผูดกันถึงเรื่องอภิธรรมหรือเรื่องเวทันละอยู่จกพลัดออกไปสู่แนวของมิจฉาทิฏฐิโดยไม่รู้สึกตัวภิกษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้เองวินัยมีมนทินเพราะธรรมมีมนทินธรรมมีมนทินเพราะวินัยมีมนทิน นี้เป็นอนาคตภัยที่ยังไม่เกิดขึ้นในบนัดนี้แต่จะเกิดขึ้นในเวลาต่อไปพวกเธอทั้งหลายพึงสำนึกไว้ครั้นได้สำนึกแล้วก็พึงพยายามเพื่อกำจัดภัยนั้นเสีย ตรทานภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้เคยมีมาแล้วกลองศึกของกษัตริย์พวกทศสาระหะเรียกว่าอนานกะมีอยู่เมื่อกลองอนานกะนี้มีแผลแตกหรือลิพวกกษัตริย์ ท, ทศสาระหะได้หาเนื้อไม้อื่นทําเป็นลิ่มเสริมลงในรอยแตกของกลองนั้นทุกคราวไปภิกษุทั้งหลายเมื่อเชื่อมปากเข้าหลายครั้งหลายคราวเช่นนั้นนานเข้าก็ถึงสมัยหนึ่ง ซึ่งเนื้อไม้เดิมของตัวกลองหมดสิ้นไปหรืออยู่แต่เนื้อไม้ที่ทำเสริมเข้าใหม่เท่านั้นภิกสุทั้งหลายชั้นใดก็ชั้นนั้นในการยืดยาวฝ่ายอนาคตจกมีภิกสุทั้งหลายสุตันตะตัวสูตรส่วนที่ลึกซึ่งเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโล ก, กุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อผู้นาสุตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่ เธอจะไม่ฟังด้วยดีจกไม่เงียหูฟังจกไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจกไม่สําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคําร้อยกรองประเภทกราบกรมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคํากล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นําสูตรที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่ เอจักฟังด้วยดีจักเงี่ยหูฟังจักตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักสำคัญไปว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนภิกษุทั้งหลายความอันตรธานของสุตตันตะเหล่านั้นที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกรุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตาจักมีได้ด้วยอาการอย่างนี้แล ผู้ทำศาสนาเสื่อมภิสษุทั้งหลายมูลเฮซีประการเหล่านี้ที่ทำให้พระสัตธรรมเลเรือนจนเสื่อมศูนย์ไป4อย่างอะไรกันเล่า4อย่างคือภิสษุทั้งหลายผู้พิสษุเล่าเรียนสูตรอันเถือกันมาผิดด้วยบทพยัญชนะที่ใช้กันผิดเมื่อบทและพยัญชนะที่ใช้กันผิดแล้วแม้ความหมายก็มีในอันคลาเคลื่อนภิกษุทั้งหลายนี้มูลกรณีที่หนึ่ง ซึ่งทำให้พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งคู่พิกษุเป็นคนว่ายากประกอบด้วยเหตุที่ทำให้เป็นคนว่ายากไม่อดทนไม่ยอมรับคำตักเตือนโดยความเคารพหนักแน่นภิกษุทั้งหลายนี้มูลกรณีที่สองซึ่งทำให้พระสัทธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งผู้พิกษุเหล่าใดเป็นผหูสูด คล่องแคล่วในหลักพระพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาแม่บทภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เอาใจใส่บอกสอนใจความแห่งสูตรทั้งหลายแก่คนอื่นๆเมื่อท่านเหล่านั้นล่วงลับดับไปสูตรทั้งหลายก็เหลือขาผู้เป็นมูลรากอาจารย์ไม่มีที่อาศัยสือไปภิกษุทั้งหลายนี้มูลกรณีที่สามซึ่งทำให้พระสัตทธรรมเลอะเลือนจนเสื่อมสูญไปภิกษุทั้งหลาย อีกอย่างหนึ่งผู้ภิกษุชั้นเทระทําการสะสมบริขารประพฤติย่อหย่อนในไตรสิกขาเป็นผู้นําในทางสามไม่เหลียวแลในกิจแห่งวิเวกธรรมไม่ปรารกความเพียรเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรุถึงสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทําให้แจ้งผู้บวชในภายหลังได้เห็นพวกเทระเหล่านั้นทําแบบแผนเช่นนั้นไว้ก็ถือเอาไปเป็นแบบอย่าง จึงทำให้เป็นผู้ทำการสะสมบริขารบ้างประเพิดย่อหย่อนในใตรสืกขาเป็นผู้นำในทางซามไม่เหลี้ยวแลในกีดแห่งวิเวกธรรมไม่ปรารกความเพียนเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งในสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งตามกันสือไปภิกษุทั้งหลายนี้มูลกรณีที่สี่ซึ่งทาให้พระสัทธรมเลือนจนเสื่อมสูญไปภิษุทั้งหลาย มูลเหตสีประการเหล่านี้แหลที่ทำให้พระสัตธรทมเลเหลื่อนจนเสื่อมสูญไปคนไม่ควรเลี้ยงโคภิกษุทั้งหลายคนเลี้ยงโคที่ประกอบด้วยความบกพร่องสิบเ็ดอย่างแล้ว ไม่เหมาะที่จะเลี้ยงโคและทำฝุงโคให้เจริญได้ความบกพร่อง11อย่างอะไรกันเล่า11อย่างคือคนเลี้ยงโคในกรณีนี้เป็นผู้ไม่รู้เรื่องร่างกายของโคเป็นผู้ไม่ฉลาดในลักษณะของโคเป็นผู้ไม่เคียยวไ ข, ข่ค้างเป็นผู้ไม่ปิดแผลเป็นผู้ไม่สุมควันเป็นผู้ไม่รู้จักท่าที่ควรนำโคไปเป็นผู้ไม่รู้จักน้าที่โคควรดื่ม เป็นผู้ไม่รู้จักทางที่โคควรเดินเป็นผู้ไม่ฉลาดในที่ที่โคควรไปเป็นผู้รีดนมโคเสียหมดไม่มีส่วนเหลือเป็นผู้ไม่ให้เกียรติแก่โคอุสภะอันเป็นโคพ่อฝูงเป็นโคนำฝูงด้วยการเอาใจใส่เป็นพิเศษภิกษุทั้งหลายคนเลี้ยงโคที่ประกอบด้วยความบกพร่องสิเอ็ดอย่างเหล่านี้แลไม่เหมาะที่จะเลี้ยงโคและทาฝูงโคให้เจริญได้ภิกษุทั้งหลาย ฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุผู้ประกอบด้วยองคุณ11บอ็ประการแล้วไม่ควรที่จะถึงความเจริญงอกงามไพ่โบลในธรรมวิ น, นัยนี้องคุณส1บอ็ประการอะไรกันเล่าส1บอประการคือภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้ไม่รู้จักรูปเป็นผู้ไม่ฉลาดในลักษณะเป็นผู้ไม่เขียวไ ข, ข่ค้างเป็นผู้ไม่ปิดแผลเป็นผู้ไม่สมควนเป็นผู้ไม่รู้จักท่าที่ควรไป เป็นผู้ไม่รู้จักน้ำที่ควรเดิมเป็นผู้ไม่รู้จักทางที่ควรเดินเป็นผู้ไม่ฉลาดในที่ที่ควรไปเป็นผู้รีดนมโคเสียหมดไม่มีส่วนเหลือเป็นผู้ไม่บูชาอย่างยิ่งในพิสุทั้งหลายผู้เป็นเทระมีพรรษายุการบวชนานเป็นบิดาสงเป็นผู้นำสงด้วยการบูชาชั้นพิเศษ พวกไม่รู้จากรูปภิกษุทั Ɛ ้งหลายภิกษุเป็นผู้ไม่รู้จากรูปเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ย่อมไม่รู้ชัดตามที่เป็นจริงว่ารูปชนิดใดก็ตามทั้งหมดนั้นชื่อว่ารูปคือมหาภูตรูปมีสี่และอุปาทายรูปคือรูปที่อาศัยมหาภูตรูปทั้งสี่ดังนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ไม่รู้จากรูปเป็นอย่างนี้แล พวกไม่ฉลาดในลักษณะภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ไม่ฉลาดในลักษณะเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ย่อมไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่าคนพานมีกรรมเป็นเครื่องหมายบัณฑิตก็มีการเป็นเครื่องหมายดังนี้เป็นต้นภิกษุทั้งหลายภิษุเป็นผู้ไม่ฉลาดในลักษณะเป็นอย่างนี้แลพวกไม่เขี่ยใครขางภิษูทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ไม่เขี่ยไข่ค้างเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ไม่อดกลั้นไม่ละไม่บันเทาไม่ทำให้สิ้นสุดไม่ทำให้หมดสิ้นซึ่งความตรึกเกี่ยวด้วยกามความตรึกเกี่ยวด้วยความมุ่งร้ายความตรึกเกี่ยวด้วยการทำความลำบากแก่คนอื่นที่เกิดขึ้นแล้วและไม่อดกลั้นไม่ละไม่บันเทาไม่ทาให้สิ้นสุดไม่ทาให้หมดสิ้น ซึ่งสิ่งอันเป็นอกุศลลามกทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วพิกสุทั้งหลายพิกสุเป็นผู้ไม่เขี่ยไข่าขางเป็นอย่างนี้แหละผู้วกไม่ปิดแผลพิกสุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้ไม่ปิดแผลเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้เห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโผฏฐพะด้วยกายรู้ธรรมารมด้วยใจแล้วก็มีจิตยือือเถเอาทั้งโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมดและการถือเอาโดยการแยกเป็นส่วนๆสิ่งอันเป็นอกุสลลามกคืออภิชาและโทมนต จะพึงหลายไปตามผู้ที่ไม่สัมรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะการไม่สัมรวมอินทรีย์ใดเป็นเหตุเธอไม่ปฏิบัติเพื่อปิดกัน้นอินทรีย์นั้นไว้เธอไม่รักษาและไม่สัมรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ไม่ปิดแผลเป็นอย่างนี้แลพวกไม่สมควนภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ไม่สมควนเป็นอย่างไรเล่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ไม่แสดงธรรมตามที่ได้ฟังได้เรียนมาแล้วแก่ผู้อื่นโดยพิสดารภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ไม่สมควัเป็นอย่างนี้แลพวกไม่รู้จักท่าที่ควรไปภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ไม่รู้จักท่าที่ควรไปเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้เมื่อเข้าไปหาพวกภิกษุซึ่งเป็นพหูสูตร คล่องแคล่วในหลักพระพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาก็ไม่ไต่ถามไม่ไล่เลียงโดยทํานองนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายพระพุทธวจนะนี้เป็นอย่างไรความหมายแห่งพระพุทธวจนะนี้มีอย่างไรดังนี้เป็นต้นตามเวลาอันสมควรท่านพระหูสูตรเหล่านั้นจึงไม่ทําข้อความที่ยังลี้ลับไม่เปิดเผยไม่ทําข้อความอันลึกซึ้งให้ตื่น และไม่บรรเทาความสงสัยในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยนานาประการให้แก่ภิกษุนั้นได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ไม่รู้จากท่าที่ควรไปเป็นอย่างนี้แล พวกไม่รู้จักน้ําที่ควรเดื่มภิกษุทั้งหลายพิกษุเป็นผู้ไม่รู้จักน้ําที่ควรเดิ่มเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้เมื่อธรรมวินัยที่ทัฏฐานประกาศไว้แล้วอันผู้ใดผู้หนึ่งแสดงอยู่เธอก็ไม่ได้ความรู้ธรรมไม่ได้ความรู้อัดและไม่ได้ความปราโมทอันอาศัยธรรมพิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ไม่รู้จักน้ําที่ควรเดิ่มเป็นอย่างนี้แล พวกไม่รู้จากทางที่ควรเดินพิกษุท right ั้งหลายพิกษุเป็นผู้ไม่รู้จากทางที่ควรเดินเป็นอย่างไรเล่าพิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ย่อมไม่รู้ชัดแจ้งตามที่เป็นจริงซึ่งอริยมรรคมีองค์8ปดพิษุทั้งหลายพิกษุเป็นผู้ไม่รู้จากทางที่ควรเดินเป็นอย่างนี้แลพวกไม่ฉลาดในที่ที่ควรไปพิษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้มิฉลาดในที่ที่ควรไปเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้ย่อมไม่รู้ชัดแจ้งตามที่เป็นจริงซึ่งสติปทานสี่ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มิฉลาดในที่ที่ควรไปเป็นอย่างนี้แหล พวกรีดนมโคเสหมดไม่มีส่วนเหลือภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้รีดนมโคเสหมดไม่มีส่วนเหลือเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายพวกครหัสผู้มีศรัทธาย่อมปวารณาไม่มีขีดขั้นแต่ภิกษุในพระาศาสนานี้ด้วยจีวรบินทบาทเสนาสนะและคิลานปัจใจเพศปรยขารในการที่เขาปวารณาเช่นนั้น ภิกษุเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการรับปัจจัยสี่มีจีวรเป็นต้นเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้รีดนมโคเสหมดไม่มีส่วนเหลือเป็นอย่างนี้แลพวกไม่บูชาผู้เท่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ไม่บูชาอย่างยิ่งในภิกษุทั้งหลายชั้นที่เป็นเถระละถึงด้วยการบูชาชั้นพิเศษเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในกรณีนี้ไม่เข้าไปตั้งไว้ซึ่งกายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาในภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเทระมีพรรษาายุการบวชนานเป็นบิดาสง์ทั้งในที่แจ้งและที่รับภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีบูชาอย่างยิ่งในภิกษุทั้งหลายชั้นที่เป็นเถระละถึงด้วยการบูชาชั้นพิเศษเป็นอย่างนี้แหลภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองคุณ11ประการเหล่านี้แหละไม่ควรที่จะถึงความเจริญงอกงามไพยบู์ในธรรมวินัยนี้เลยลูกนอกคอกภิกษุทั้งหลาย เหยี่ยวตัวหนึ่งได้โฉบลงจับนกมูลไถตัวหนึ่งไปได้โดยรวดเร็ ว, รวนกมูลไถกำลังถูกเหยื่ยวนำไปได้พร่ำรำพันอย่างนี้ว่าเรานนะไม่เข้าลักษณะของผู้มีบุญเรามีบุญน้อยเราจึงเที่ยวไปในวิสัยอื่นซึ่งม่ใช่วิสัยควรเที่ยวไปถ้าในวันนี้เราเที่ยวไปในวิสัยอันเป็นของบิดาแห่งตนเหยื่ยตัวนี้หาสู้เราได้ไหมดังนี้เหยี่ยวจึงถามว่า นี่น่ยนกมูลไทยที่ไหนของเจ้าเล่าซึ่งเป็นวิสัยอันเป็นของแห่งบิดาของตนเที่ยวไปนกมูลไทยตอบว่าที่ที่มีก้อนดินซึ่งคนทำการไถทิ้งไว้นั่นแหละคือวิสัยเป็นที่เที่ยวของบิดาเราครั้งนั้นเหยื่อผู้แสดงความหยิ่งเพราะกำลังของตนผู้อวดอ้างเพราะกำลังของตนได้ปล่อยนกมูลไทไปด้วยคาพูดว่าไปเถอะนกมูลไทย ถึงเจ้าไปในที่เช่นนั้นก็ไม่พ้นมือเราแน่ดังนี้ครั้งนั้นนกมูลไถไปยังที่ที่มีก้อนดินซึ่งคนทําการไถทิ้งไว้แล้วจึงขึ้นยืนบนก้อนดินใหญ่ท้าเยี่ย ว, ว่าที่นี่มาสิท่านเ ย, ยวของเราที่นี่มาสิท่านเ ย, ยวของเราดังนี้ครั้งนั้นเ ย, ยวผู้แสดงความหญิงเพราะกำลังของตนผู้อวดอ้างเพราะกาลังของตนได้หอปีกทั้งสองข้าง แล้วโฉบลงไปที่นกมูลไถยโดยรวดเร็วภิกษุทั้งหลายในการใดแลนกมูลไถรู้ตัวเสือก่อนว่าเหยี่ยวใหญ่ตัวนี้มาจับเราแล้วในการนั้นนกมูลไถตัวนั้นก็หลบเข้าซอกดินเสือก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแหล่เหยี่ยวตัวนั้นเอาอกกระแทกดินตายเพราะความเร็วณตรงที่นั้นเองภิกษุทั้งหลาย ผู้ที่เที่ยวไปในวิสัยอื่นซึ่งไม่ใช่วิสัยคนเที่ยวไปแห่งตนย่อมมีอันเป็นไปด้วยประการฉนีษภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายอย่าได้เที่ยวไปในวิสัยอื่นซึ่งไม่ใช่วิสัยคนเที่ยวไปเมื่อพวกเธอเที่ยวไปในวิสัยอื่นซึ่งไม่ใช่วิสัยคนเที่ยวไปมานจากได้ช่องทางทําลายล้างมานจากได้โอกาสที่จะทําตามอําเภอใจแก่พวกเธอ วิสัยอื่นซึ่งไม่ใช่วิสัยคนเที่ยวไปของภิกษุคืออะไรเล่าเคลิกามคุณห้าห้าอะไรกันเล่าห้าคือรูปที่เห็นด้วยตาเสียงที่ได้ยินด้วยหูกลิ่นที่รู้สึกด้วยจมูกรสที่รู้สึกด้วยลิ้นและโผฏฐะที่รู้สึกด้วยการสัมผัสทางกายซึ่งเป็นที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าชอบใจที่โยนตาโยนใจให้รักที่กลามเข้าไปตั้งอาศัย ที่เป็นที่ตั้งความกำนัดยอมใจภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นวิสัยอื่นซึ่งไม่ใช่วิสัยควรเที่ยวไปของภิกษุผู้โลเลภิกษุทั้งหลาย มูลเหตุแปดอย่างเหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมเสียสําหรับภิกษุผู้ยังไม่จบกิจแห่งการปฏิบัติเพื่อรู้ถึงนิพพานมูลเหตุแปดอย่างอะไรกันเล่า8ดอย่างคือ 1. ความเป็นผู้พอใจในการทํางานก่อสร้าง 2. ความเป็นผู้พอใจในการคุย 3. ความเป็นผู้พอใจในการนอน 4. ความเป็นผู้พอใจในการจับกลุ่มคลุกคลีกันห ความเป็นผู้มีคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 6. ความเป็นผู้ม่รู้ประมาณในการบริโภค 7. ความเป็นผู้พอใจในการกระทำเพื่อเกิดสัมผัสสนุกสบายทางกาย 8. ความเป็นผู้พอใจในการขยายกิจให้โยกโย่โอเอเนินช้าภิกษุทั้งหลายมูลเหตุ8อย่างเหล่านี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมเสียสำหรับภิษุผู้ยังไม่จบกิจ แห่งการปฏิบัติเพื่อรู้ถึงนิพพานภิกษุร้องเพลงภิกษุทั้งหลายโทษของภิกษุผู้กล่าวทำด้วยเสียงขลับอันยาวมีห้าอย่างเหล่านี้ห้าอย่างอะไรกันเล่า หอย่างคือหนึ่งแม้ตนเองก็กำนัดยินดีในเสียงนั้น 2. แม้คนอื่นก็พลอยกำนัดยินดีในเสียงนั้น 3. แม้พวกครหัตก็พากันยกโทษติเตียนได้ว่าพวกสมณะสักยบุตรเหล่านี้ก็ขับเพลงเหมือนพวกเราขับเพลงทีเดียวนะดังนี้ 4. เมื่อพิกษุนั้นยังรู้สึกลุ่มหลงในกระแสเสียงนั้นอยู่สมาธิก็พังทลายหา อนุชนรุ่นหลังจะถือเอาเป็นแบบอย่างภิกษุทั้งหลายโทษของภิกษุผู้กล่าวทำด้วยเสียงขับอันยาวมีห้าอย่างเหล่านี้แหลผู้มัวแต่อวดฉลาดกสปะ เธอจงว่ากล่าวสังสอนภิกษุจงแสดงธรรมีกระถาแก่ภิกษุกัสปะเราหรือเธอจะต้องว่ากล่าวสังสอนภิกษุเราหรือเธอจะต้องแสดงธรรมีกระถาแก่ภิกษุข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญในเวลานี้ภิกษุทั้งหลายเป็นคนว่ายากและประกอบด้วยเหตุที่ทาให้ว่ายากด้วยไม่มีความอดทนไม่ยอมรับคาตักเตือนโดยเคารพข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในเรื่องนี้ข่าพระองค์ยังได้เห็นภิกษุชื่อพันทะซึ่งเป็นสัตทธิวิหาริกของพระอนอนนท์องค์หนึ่งและภิกษุชื่ออาภิจิกะซึ่งเป็นสัตทธิวิหาริกของพระอนุรุท ธ, ธะองค์หนึ่งกล่าวท้าทายกันด้วยเรื่องวิชาวความรู้ว่ามาสิภิกษุจะได้เห็นกันว่าใครจะกล่าวได้มากกว่ากันใครจะพูดได้เพราะกว่ากันใครจะพูดได้นางกว่าใครดังนี้ พระมหากัสสปะกล่าวทูลขึ้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงรับสั่งให้ตามตัวภิกษุทั้งสองนั้นมาเฝ้าแล้วได้ทรงสักถามภิกษุทั้งสองนั้นภิกษุทั้งสองนั้นได้ทูลรับว่าได้ทําการท้าทายกันเช่นนั้นจริงจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งสองย่อมเข้าใจธรรมที่เราแสดงแล้วว่าเราได้แสดงว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพูดท้าทายกัน ด้วยรูปวิชาวความรู้อย่างนี้ว่ามาซิภิกษุจะได้รู้ว่าใครจะได้พูดได้มากกว่ากันใครจะพูดได้เพราะกว่ากันใครจะพูดได้นางกว่าใครดังนี้ดังนั้นหรือภิกษุทั้งสองรูปนั้นทูลว่าหาเป็นเช่นนั้นไม่พระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายก็เมื่อเธอทั้งสองเข้าใจธรรมที่เราแสดงแล้วว่าหาเป็นอย่างนี้ไม่ก็เรื่องอะไรเล่า โมคะปุรุษทั้งสองรู้อย่างไรเห็นอย่างไรทั้งที่บวชอยู่ในธรรมวินัยที่เรากล่าวดีแล้วนี้จึงกล้าผููท้าทายกันและกันด้วยเรื่องวิชาวความรู้ว่ามาสิภิกษุจะได้รู้ว่าใครจะพูดได้มากกว่ากันใครจะพูดได้เพราะกว่ากันใครจะพูดได้นานกว่าใครดังนี้แล้วพิสุทั้งสองได้สํานึกตัวจึงหมอบลงที่พระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วกล่าวคำขอขมาโทษว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความล่วงเกินของข้าพระองค์ได้ล่วงเกินแล้วเพราะทำตามปภาสาพานราษาเขาประษาไม่ฉลาดคือข้อที่ข้าพระองค์ทั้งสองได้บวชอยู่ในพระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้กลับมาพูดท้าทายกันเสียด้วยเรื่องวิชาวความรู้ว่ามาสิภิกษุจะได้รู้ว่าใครจะพูดได้มากกว่ากัน ใครจะพูดได้เพราะกว่ากันใครจะพูดได้นางกว่าใครดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงงดโทษโดยเป็นโทษร่วงเกินของข้าพระองค์ทั้งสองเพื่อสังวรต่อไปพระเจ้าค่าดังนี้ภิกษุทั้งหลายแน่แล้วเธอทั้งหลายได้ถึงความมีโทษเพราะทำตามระษาพานระสาเข่ า, ร ะ, า, ขาระสาไม่ฉลาดคือข้อที่เธอทั้งหลาย ทั้งๆ ท, ที่ได้มาบวชในธรรมวินัยที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้กลับมามัวผููท้าทายกันด้วยเรื่องวิชาความรู้ว่ามาซิพิกษุจะได้รู้ว่าใครจะพูดได้มากกว่ากันใครจะพูดได้เพราะกว่ากันใครจะพูดได้นานกว่าใครดังนี้ภิกษุทั้งหลายแต่เมื่อเธอทั้งหลายเห็นโทษโ ด, ดยความเป็นโทษแล้วทําคืนเสียอย่างถูกระเบียบเช่นนี้เราก็จะงดโทษของพวกเธอทั้งหลายให้ ภิสษุทั้งหลายผู้ที่เห็นโทษดยความเป็นโทษแล้วทำเครืนเสียอย่างถูกระเบียบแล้วทำการสังวรระวังต่อไปอันนั้นย่อมเป็นความเจริญในวินัยของพระอริยเจ้าดังนี้ ภิกษุทั้งหลายพระหลวงตาที่ประกอบด้วยองค์ประกอบห้าอย่างหาได้ยากห้าอย่างอะไรกันเล่าห้าอย่างคือภิกษุทั้งหลายพระหลวงตาที่มีปัญญาละเอียดอ่อนในการรู้จัตุราริยสัตว์หาได้ยากพระหลวงตาที่เป็นคนมีท่าทางเรียบร้อยหาได้ยากพระหลวงตาที่เป็นคนสดับตรับฟังแล้วจำได้มากหาได้ยากพระหลวงตาที่เป็นธรรมกระถิหาได้ยาก พระหลวงตาที่เป็นคนปฏิบัติเคร่งตามวินัยหาได้ยากอีกสูตรหนึ่งภิกษุทั้งหลายพระหลวงตาที่เป็นคนว่า ง, ง่ายสอนง่ายหาได้ยากพระหลวงตาที่รับคำแนะนำไปปฏิบัติให้เป็นอย่างดีหาได้ยากพระหลวงตาที่ยอมรับคำตักเตือนโดยเคารพเอื้อเฟือ้อหาได้ยากพระหลวงตาที่เป็นธรรมกระเถหาได้ยาก พระหลวงตาที่ปฏิบัติเคร่งตามวินัยหาได้ยากภิกษุทั้งหลายพระหลวงตาที่ประกอบด้ืยอองค์ประกอบผ้าอยางแต่ละหมดเหล่านี้แลหาได้ยาก เกสีเราก็ฝึกด้วยวิธีละมุนละม่อมบ้างด้วยวิธีรุนแรงบ้างด้วยทั้งสองวิธีประกอบกันบ้างเช่นเดียวกับท่านฝึกม้าเหมือนกันละถึงค่าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าคนผู้นั้นไม่รับการฝึกทั้งสมวิธีนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงทําแก่เขาอย่างไรนายเกสีนักฝึกม้ามีชื่อเสียงทูลถามเกสี ถ้าคนผู้นั้นไม่รับการฝึกด้วยวิธีระมุลละม่อมไม่รับการฝึกด้วยวิธีรุนแรงและไม่รับการฝึกด้วยวิธีทั้งสองบวกกันเราก็ฆ่าเขาเสียเช่นเดียวกับท่านเหมือนกันการฆ่าไม่ควรแก่พระผู้มีพระภาคเจ้ามิใช่หรือพระเจ้าค่าฉนันจึงรับสั่งว่าเราก็ฆ่าเขาเสียกรณีเล่าจริงเกศีการฆ่าไม่ควรแก่ตถาคต์แต่ว่า คนผู้ใดไม่รับการฝึกด้วยวิธีละมนละม่อมไม่รับการฝึกด้วยวิธีรุนแรง Summer. และไม่รับการฝึกด้วยทั้งสองวิธีบวกกันตถาคตก็ไม่นับคนผู้นั้นว่าเป็นคนที่จะพึงว่ากล่าวสั่งสอนต่อไปทั้งเพื่อนพระมารีผู้รู้ทั้งหลายก็ไม่นับคนผู้นั้นว่าเป็นคนที่จะพึงว่ากล่าวสั่งสอนด้วยนี่เนะ่เกสี C. ข้อที่ตถาคตไม่นับคนผู้นั้น ว่าเป็นคนที่จะพึงว่ากล่าวสั่งสอนทั้งเพื่อนพระมารีผู้รู้ทั้งหลายก็ไม่นับคนผู้นั้นว่าเป็นคนที่จะพึงว่ากล่าวสั่งสอนด้วยนั้นนั่นชื่อว่าเป็นการฆ่าเสียอย่างสนิททีเดียวในวินัยของพระอารียเจ้านั่นชื่อว่าเป็นการฆ่าเสียอย่างสนิทแน่พระเจ้าค่ะในเกศีทูล หลนจากศาสนาภิกษุทั้งหลายนักบวช ท, ที่ไม่ประกอบด้วยเฮสีประการแล้วย่อมกล่าวได้ว่าเป็นผู้หลนจากธรรมวินัยนี้เฮสีประการอะไรกันเล่าเฮสีประการคือ 1. ผู้ที่ไม่ประกอบด้วยศีลอันเป็นเครื่องไปจากฆาสึกเรียกเรียกว่าคนหลนจากธรรมวินัยนี้ 2. ผู้ไม่ประกอบด้วยสมาธิอันเป็นเครื่องไปจากฆาศึกเรียกเรีว่า คนหล่นจากธรรมวินัยนี้ 3. ผู้ที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาอันเป็นเครื่องไปจากข่าศึกเรียกได้ว่าคนหล่นจากธรรมวินัยนี้ 4. ผู้ที่ไม่ประกอบด้วยวิมุตติอันเป็นเครื่องไปจากข่าศึกเรียกเรียกว่าคนหล่นจากธรรมวินัยนี้ภิกษุทั้งหลายนักบวชที่ไม่ประกอบด้วยเหตุสีประการเหล่านี้และเรียกได้ว่าเป็นผู้หล่นจากธรรมวินัยนี้ มัวที่6จบ